เคยได้ยินคำพูดที่ว่าทำดีอย่าหวังผลผนละในที่นี้เนี่ยคนก็มักจะมายถึงผลประโยชน์ส่วนตัวนะเช่นนะเมื่อเราให้ทานนะเราทำบุญถวายพระนะ ก็ไม่หวังว่าจะได้รับคาชื่นชมสรรเสริญนะไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพไม่ได้ทำเพื่ อ, อหวังความมีหน้ามีตาหรือแม้กระทั่งไม่ได้หวังว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์หรือว่าโชคดีมั่งมีสีสุกนะ แต่ทำเพื่อบุ่งประโยชน์นะแก่ผู้รับเมื่อช่วยเหลือใครนะก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เขามาตอบแทนความดีของเราหรือแม้กระทั่งสำนึกในบุญคุณของเรานะไม่ได้หวังจะให้เขามาชื่นชมสรรเสริญเราเนี่ย แต่ทำเพราะตั้งใจตั้งการจะช่วยเขาจริงๆนะเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยจริงๆเนี่ยนอกจากทำดีไม่หวังผลแล้วนะบางทีเราก็ต้องรู้จักทำดีโดยปล่อยวางผลด้วยผลในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงผล ป, ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นนะ อาจจะรวมถึงผลประโยชน์อย่างอื่นบ่อยครั้งเราทำดีเราก็ยังไม่วางผลเท่าไหร่จะคอยดูนะว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเช่นเวลาถวายอาหารพระถวายจีวรหลวงพ่อถวายไปแล้วก็คอยดูว่าท่านจะฉันอาหารของเราไหมท่านจะผมจีวรของเราไหม ฉันแล้วเป็นยังไงนะรสชาติเป็นอย่างไรชอบไหมเนะี่ยอันนี้เรียกว่าทําดีแล้วเนี่ยก็ยังไม่วางผลนะซึ่งบางครั้งก็ทำให้ทุกข์นะเพราะว่าพอรู้ว่าหลวงพ่อท่านยังไม่ได้ฉันจีวรที่ถวายก็ท่านก็ไปมอบให้กับภาพรูปอื่นซึ่งมีจีวรเศร้าหมองจีวรเก่าเนะี่ยคนถวายก็เสียใจนะว่าหลวงพ่อนะ ไม่ได้สนองศรัทธาของเราอย่างเต็มร้อยนะแต่ถ้าเราเวลาถวายไปแล้วเราก็วางซะท่านจะฉันอาหารนั้หรือไม่นะก็ก็แล้วแต่ท่านท่านจะห่มจีวรหรือถวายให้คนอื่นก็เป็นเรื่องของท่านทานที่เราทําความดีที่เราบําเพ็ญมันสําเร็จแล้วนะ ที่จะสบายใจนะทำความดีก็ต้องรู้จักวางผลบ้างนะอันนี้รวมถึงการทำความเพียรนะเช่นการปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมนี่แน่นอนนะเราเรามาวัดหรือเรามาทำความเพียรก็เพราะว่า มันมีวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะแต่ทันทีที่ลงมือทำนะก็ต้องวางผลนะหมายความว่ามันจะสําเร็จเมื่อไร่ผลจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะก็ไม่สนใจตั้งหน้าตั้งตาทําความเพียรตัวอย่างที่ดีนะก็คือตัวอย่า ง, งพระมาชนกนะพระมาชนกนี่พวกเราทุกคนรู้จักดี แต่บางทีก็ไม่รู้ว่าความสำคัญนะของพระองค์ของท่านเป็นอย่างไรเพราะมาชนลนี้ก็เป็นพระุพธิสัตว์นะในชาติท้ายๆนะก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธฐาถัแล้วก็บริเพงความเพียนจนกรทั่งตัดสรุปเป็นพระ สมมาสัมพุทธเจ้าเหตุการณ์สำคัญนะในชีวิตของพระมาชนกที่คนรู้จักกันดีนะก็คือตอนที่เรือเดินสมุทรนี้ล่มอับปางเพราะว่าโดนพายุซัดกระหน่ำพระมาชนกก็อยู่ในเรือนะก็ต้องลอยคออยู่กลางทะเลคนอื่นที่เดินทางมาด้วยก็จมน้ำตายหมด แต่พะมาชนโลกนี่ท่านกเกาะแผ่นไม้เอาไว้ได้แล้วก็ลอยคออยู่กลางทะเลอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็ตัดสินใจไหว้เข้าหาฝั่งฝั่งนี่ไม่เห็นเลยนะอมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทะเลแต่ท่านก็ไม่มีความท้อแท้ก็ไว้ บอกว่าท่านไหวถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเจ็ดวันเจ็ดคืนทีเดียวก็คงจะไม่ได้ไหว้ตลอดนะบางช่วงคงจะพัก้อยคออยู่การทะเลเสร็จแล้วก็ไหว้ใหม่ความเพียรของมหาชนโลกนี่พระอินทรนี้รับรู้ก็เลยไปบอกนางมณีแม่ขลาว่าให้มาช่วยนางมณีแม่ขลาเนี่ยเป็นเทคธิดาที่ดูแลท้องทะเล เมื่อนาม น, นีแมกคานะเหามาถึงก็เห็นพระมาชนกนี้ไหว้ไหว้ไหว้ไหว้กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไม่เห็นฝั่งก่อนที่จะลงมือช่วยนะก็สงสัยเลยถามพระมาชนกว่าทั้งทงที่ท่านมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยท่านไหว้ไปทํำไมมีประโยชน์อะไรอาชมาพระมาชนกก็ตอบว่าแม้จะมองไม่เห็นฝั่งนะ แต่ข้าพเจ้าก็าไหว้ก็เพราะเห็นประโยชน์ของความเพียร น, นะนางม น, นีแม่คะรก็ถามต่ออีกว่าท่านจะเพียรไปทำไมในเมื่อฝั่งนีอยู่ไกลมากนะเพียรเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ไม่มีทางถึงหรอกตายสถานเดียว สมานสโนก็ตอบว่าเมื่อทําความเพียรแล้วนะแม้ตายก็ได้เชื่อไม่เป็นหนี้นะเทวดาบิดามารดาญาณนี้ก็ติดเตียยไม่ได้แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าคนเราเนี่ยนะถ้ารู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรและทําความเพียร น, นั้นอย่างเต็มที่ผลประโยชน์แห่งความเพียร น, นั้นย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตานนี้เม่ขลาก็ยอมจำน้นนะต่อคำตอบของพระมาชนกนะก็เลยช่วยอุ้มพระมาชนกเนี่ยขึ้นฝั่งนะพมาชนกเนี่ยแน่นอนนะว่ายน้ำเพื่อจะถึงฝั่งแต่ขณะที่ว่ายน้ำเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดแต่ว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงนะมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังว่าย และไม่รู้ว่าจะถึงฝังหรือเปล่าก็ยังไหวอันนี้เราว่าทำดีโดยปล่อยวางผลนะหรือทำความเพียรสร้างเหตุโดยปล่อยวางผลซึ่งก็ทำให้สามารถจะมีความเพียร น, นะได้ต่อเนื่องคนเราเนี่ยถ้าหากว่าทำอะไรไปแม้จะเป็นสิ่งดีนะแต่พอใจมันไปเกาะติดอยู่ที่ผลว่าเช่นจะต้องถึงฝังนะ ไหวไปหนึ่งวันไม่ถึงฝั่งเนี่ยบางทีก็ท้อแล้วไหวไปสองวันไม่ถึงฝั่งไม่เห็นฝั่งสักทีก็ยิ่งท้อก็ไปใหญ่ระหว่างไหว้ที่ก็เป็นทุกข์นะแล้วก็ทำให้ความเพียนย่อหย่อนนะแต่พระมาชนงนี้นะท่านไม่สนใจนะว่าจะถึงฝั่งหรือไม่แม้มองไม่เห็นก็ไหว้ไหว้ไหว้แล้วก็ไหว้นี่เรียกว่าทำความเพียรเต็มที่ เป็นการทำดีโดยปล่อยวางผลนะแม้ตอนไหว้นะก็หวังนะว่าไหว้เพื่อให้ถึงนะแต่ว่าพอลงมือไหว้แล้วก็วางซะผลอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะที่ดีนะเวลาเราทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเดินทาง ไม่ว่าจะทํามหากินไม่ว่าจะเรียนหนังสือทําความเพียรปฏิบัติธรรมเราก็พยายามทําเต็มที่เช่นเวลาเดินทางเนี่ยเออเราก็ไต่ตองก่อนเดินทางนะว่าเส้นทางเที่นี้ไปถึงจุดหมายแน่เชียงใหม่รถที่เราขับนะเราก็ตรวจตาให้ดีนะว่าไม่มีอะไรบกพร่องหรือถ้านั่งรถเมย์ก็แน่ใจว่า เป็นสายที่จะพาไปถึงเชียงใหม่นั่นเมื่อเมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่าใช่แน่นะถึงเวลาเราขับรถหรือว่าเรานั่งรถนะเราก็ปล่อยวางได้เลยนะจุดหมายปลายทางเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าไม่ลงจากรถก่อนเนี่ยหรือว่าถ้ารถไม่ก็อุบัติเหตุเนี่ยถึงแน่นะอันนี้เราวางผลนะวางผลเวลาเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะเราก็เรียนเต็มที่ ส่วนคะแนนมันจอกมาอย่างไรนะสอบแล้วจะได้เกรดเท่าไหรนะ่เนี่ยวางเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตนะไม่คอยไม่ไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่ใช่คอยพอวงว่าเราจะสอบได้หรือไม่นี่นะนะถ้าสอบได้ต่ำกว่าสองนี่เราคงแย่แน่ๆเลยยวไม่ทันจะสอบเลยก็ทุกข์ซะแล้วทำให้ท้อแท้ในการนะทำความเพียร ในขณะที่เรียนหนังสืออ่านหนังสือเตรียมสอบก็วางวางผลซะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติธรรมเอาเราก็ทำความเพียรส่วนความสงบจะเกิดขึ้นหรือไมนะ่ปัญญาจะเกิดขึ้นหรือไม่ความสึกตัวจะต่อนเนื่องหรือไม่นะ่ะไม่เอามาเป็นข้อกังวลนะไม่ยะติดนะนะเรียกว่า ทำดีนะแล้วก็รู้จักวางผลแล้วมันจะช่วยได้เยอะนะเพราะคนเราถ้ารู้จักวางแล้วเนี่ยนะในความเพียรเนี่ยมันจะมีกําลังได้มากหลายคนมักจะพูดว่าเนี่ยมันต้องมีเหยื่อล่อนะมันต้องมีรางวัลล่อมันถึงจะเกิดแรงจูงใจนะต้องคิดถึงผลสําเร็จเอาไว้เพื่อล่อใจให้ขยันนะ แต่ปัญหาคือถ้ามันเป็นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานทำเท่าไหร่ก็ยังไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการทุกทีเนี่ยมันก็จะท้อนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เลยเลิกทำไปเลยนะคนที่มาบวชนะแล้วก็มาด้วยไฟ นะอยากจะบรรลุนิพพานนะเป็นพระหลานให้ได้ภายในพรรษานี้โอ้ทำความเพียนใหญ่เลยนะบางทีทำไปครบพรรษาแล้วยังไม่บรรลุนิพพานเลยท้อนะเลิกเลยนะสึกไปเลยไอนะแบบนี้ก็มีนะบางทีก็ไม่ใช่สามเดือนหนึ่งนปะีทำเต็มที่แต่ทำด้วยความเครียดหน้าดำข้าเคร่งนะอันนี้เรียกว่าทำดีนะแต่ว่าไปยึดผลนะ ต้องฝึกนะทำความดีแต่ปล่อยวางผลเดินตั้งแต่เวลาการเวลาเราช่วยเหลือใครเวลาทําบุญให้ทานลองฝึกบ้างเออถวายอาหารหลวงพ่อนะถวายเสร็จก็ปล่อยวางให้ถือว่าอาหารที่ถวายนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของหลวงพ่อแล้วนะฝึกปล่อยวางความจะติดถือมั่นในตัวกูของกู ไม่ต้องไปคอยเฝ้ามองว่าหลวงพ่อจะฉันหรือเปล่านะบางคนนี่ถวายไปแล้วนี่วันรุ่ขึ้นก็เขียนเขียนลายมาถามว่าฉันหรื อ, อยัง <c oughs> นะหรือว่าโทรศัพท์มาถามว่าเป็นยังไงนยะนี่ใจยังผวงถึงผลนะเอยไม่ได้ห่วงของ น, นะเขาก็ไม่ได้หวงแหนอะไรแต่ว่ามันอยากจะรู้ว่า ห, หลวงพ่อฉันหรื อ, อยังนะ นะระหว่างที่ไม่รู้นี่ก็ทุกข์นะพอรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้ฉันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นะไอ้บุญที่มันจะได้ก็เลยหายไปนะกลายเป็นแทนที่ได้เต็มร้อยนะก็ จ, จะเหลือสักเจ็0สิบแปดสิบนะเพราะว่าจิตที่ขุนมัวนะถ้าฝึกเอาไว้นะไม่ใช่แค่ทำดีไม่หวังผลอย่างดีวนะทำดีก็ต้องรู้จักวางผลด้วยไม่ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเองหรือผลจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตาม อาละเตรียมรับผนอิชิตังปฏิตังตุมพังคอยตาผนที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอีบามวาสมีชาตุจงสำเร็จโดยฉาพราสาเพภูรเรนตุสังกัปปาขอความดหริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยต า, าเหมือนพระจันในวันเพนมานิโชทิรโาโสยตา เหมือนแกะมณีอ่างสว่างสวัยควรยินดีสาิีิโยวิวาชันตุวานใจายทางปวงจงบำราดไปสาพรโรโอโควินา ส, สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวะวันตารายโยอันตรานตรายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิริสันิจังุทธาป จ, จายโนยัตาโรโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสางสีปาการคืออายุวันนสุขังพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวนตุสัพมังคลัง อสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาพอเราเทวดาทั้งหวงจงรักษาท่านสัพพาภูตานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัพพธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังขานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระโส สวัสดีพอวันตุเตความสวัสดีทง า, ยยางไกาย่อมมีแก่ท่านทุ่เมื่อเธอ